วันนี้คำถามสามคำถามคำถามที่หนึ่งว่าการหลุดพ้นออกจากอวิชชาสิบข้อในตอนเช้าในข้อหกและข้อ um สิบจดไม่ทันช่วยไม่ได้ประมาณต้นปีห้าแปดพึ่งจะหาลมหายใจได้ก่อนหน้ายังไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่นะพึ่งจะหาลมหายใจเจอนี่นะ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 เมื่อก่อนนี้เคยมีบ้างครับในขณะที่มาทำที่นี่ไม่มีเลยใช่ไหมดีและความรู้สึกเพลินเวลาทำจะไม่รู้ตัวเพลินจะไม่รู้ตัวมีไหมเพลินก็เพอมีบ้างครับมีนะความเพลิดมีไหมเผอบ่อยตัเผื่อบ่อยฟุ้งซ่านมีนะฟุ้งซ่านรู้น้อยลงแล้วคิดไปต่างๆนานานี่ยมีใช่ไหมความลังเลยสงสัยมีไหม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 พวกเราที่มาพบกันเนี่ยถือว่ามีบุญท่านั้นนะแต่ว่าคนไหนมีอะไรสั่งสมมาก่อนก็จะรับได้เยอะคนไหนสั่งสมมาก่อนม่วมีภชนะใหญ่คนไหนมีภชนะเล็กก็ได้แค่นี้คนไหนมีภาชนะใหญ่ก็ได้เยอะเพราะนั้นแต่ละคนก็ก็มาแล้วก็ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราได้สั่งสมสิ่งนั้นรองรับมามากน้อยแค่ไหนนะพยมก็เป็นคนมี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 เพราะฉะนั้นวิธีการคืออวายที่จะจับสภาวะนั้นได้อันไหนที่จับสภาวะได้เร็วอวายนั่นก็ใช้ได้ละและแต่คนมาเคยว่าอมาถนัดไปตุตกเบ็ดมาถนัดไปทอดแห น, นะบางทีก็ถนัดที่จะถึงอวนมาถนัดที่จะไป